ขอบใจนะเพื่อนที่อุตส่าห์ช่วยฉันทุกเรื่องเลยเฮ้ยไม่ต้องคิดมากนะ่ายังไงฉันก็ต้องช่วยนายเต็มที่อยู่แล้วเว้ยเออแล้วนายแน่ ใ, ใจเหรอฮะแ huh? น่ใจอะไรที่นายไม่ไปเดียวกับฉันน่ะฮะไม่อะแต่ฉันอยากให้นายไปด้วยว่ะงานรอฉันจัดการอยู่เพียบเลยเว้ยให้ผู้ช่วยจัดการไปก่อนก็ได้นินาะเราไปแค้ไม่กี่วันเองไม่ละไกลเกินกไปเอ้ยก็ขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองแหละเทพหึ่ <Okay. S 2> hmm? ฉันว่านายเปลี่ยนใจเออนั่งเครื่องบินไปไม่ดีกว่าเหรอฮะ ขับรถไปคนเดียวแบบนี้มันอันตรายนะเว้ยไม่มีปัญหารองหน้าใช่ไหมด็มันไหนเนี่ยขับรถไปจนชินแล้วเราอยู่แคนาดานะแล้วที่อเมริกาเนี่ยก็เหมือนกันเลยชาวรถเขาขับจากรัฐน์ู้นไปรัฐนี้เมื่ชอบนัรถไฟฟ้าหรือเครื่องบินกลัวเรือไงนากรู้ดีนีว่าฉันนะ่ะถ้าจําเป็นจริงๆแล้วก็ไม่นั่งเครื่องเด็ดขาดแม้แต่รถไฟฟ้าก็ตามทีอ๋อที่ฉันพูดนี่ยเพราหวังดีนะเว้ยขอบใจแต่ว่าถ้านายไปด้วยได้เน่ยนะจะเจ๋อมากเลยเพื่อนไม่ละ ฉันมาส่งนายแล้วก็เลยไปที่ทํา ง, งานเลยเออเอารถนายไปเดินได้หรือเปล่าอ้าวแล้วใช้ฉันนั่งรถเมย์ไปทํางานหรือไงฮะะรถนายก็มีแม่นายก็มีอยู่สองคันจะใช้คันไหนก็ยอมได้อยู่แล้วกะรู้เจ้าแค่ล้อเล่นงั้นแค่นี้ก็แล้วกันนะฉันไปทํางานสักหน่อยดีกว่านะเอาง<น>ั้นเหรออืมอืมงั้นเดี๋ยวโทรคุย ก, กันแล้วกันอืมอืมเออขอใจพ่เพื่อนไม่เป็นไร ก่อนเดินทางอย่าลืมบอกแม่นายด้วยนะเดี๋ยวแม่นายจะเป็นห่วงนะรู้แล้วหนะ้าเราไปทำงานเถอะอืมแล้วเจอกันนะเพื่อนนะอืมโชคดีนะเพื่อนเชิญเป็นเพื่อน ไปไม่ได้เหรอลูกหือแม่ครับผมอยากจะไปเจอหน้าเธอฮะแลวอยากจะพูดกับเธอพูดทุกอย่างและจะได้ไม่ต้องพูดเรื่องถึงเ อ, อ่อถึงความในใจกันอีกฮะ <c oughs> ทำไมไม่พูดกันทางโทรศัพท์ละลูกผมคิดว่าไปหาเขาด้วยตัวเองจะดีกว่าทุกอย่างจะได้เคลียร์สียทีเพราะความรั้นของเรานี่เองอ่ะฮะที่แม่สู่นะเขาไม่ชอบผมรู้ดีครับ ว่ผมร้นผมใจร้อนแล้วก็บาดดีด้วยฮะแม่พูดแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะผมรู้ตัวเองดีครับแม่นั่งเครื่องบินไปไหมเร็วดีแล้วก็สะดวกด้วยนะลกูกทันที่นั่นแล้วไปหารถที่ไหนแล้วแม่ก็ไปย่าบอะไรก็เช่ารถเขาสิลกูกจ้าอย่างนั้นเหรอฮะจ้ะเออขับรถไปถึงเหนือสุดแบบนั้นนะมันเสี่ยงเกินไปขับคนเดียวซสด้วยสิง่วงนอนแล้วเผลอหลับนายจะทํายังไงอะ่ะลูก แต่ว่านะเชื่อแม่เธอนั่งเครื่องบินไปดีกว่าแม่จะได้ห่วงน้อยลงเลยล่ะครับผมเชื่อแม่ก็ได้ฮะดีลูกงั้นเดี๋ยวแม่ขับรถไปส่งที่สนามบิน<อ>นะลูกนะไม่ต้องก็ได้แม่พอแท็กซี่จะดีกว่านะไม่จะได้ไม่ต้องลำบากขับรถไปมาจะเอางั้นเหรอลูกครับเออก็ตามใจลูกงั้นผมไปนะแม่อย่าลืมนะโทรมาหาแม่ด้วยล่ะครับแม่ ฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment คไปขับไล่ฉันไปพูดตอกยมำทำร้ายใจแต่ฉันยังไม่ยอมไปสักทีมีหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ฉันยังคงทนได้อย่างนี้ฉันเคยได้บอกเธอเคยได้ย้า แต่ว่ามันคงไม่เคยดังถึงใจเธอสักทีฉันรักเธอและฉันรักเธอคนเดียว But I have her. ติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่สเสียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ไปเหนือเชียงใหม่เหรอคะเชียงรายมากไปทําไมคะถามทําไมล่ะแฟ้ตอยากรู้ค่ะแต่ฉันไม่อยากตอบอ่เพราะมันไม่มีความจําเป็นอะไรที่หล่อนจะต้องรู้ด้วยแหมคุณผู้หญิงคะเปนต์ก็แค่รู้สึกเป็นห่วงคุณเทพก็เท่านั้นแหลคะค่ะหล่อนเป็นห่วงลูกชายใช่เหรอค่ะเป็นห่วงก็ไม่ได้เหรอคะฉันน่ะไม่ได้ว่าอะไรหลอกว่าไม่ได้แต่ฉันไม่เห็นความจําเป็นอะไรที่หล่อนจะต้องมาห่วงลูกชายฉันน่ะ คุณผู้หญิงก็อย่าคิดมากสิคะแล้วไงแป้นเห็นว่าเวลาเนี้คุณเทพ อ, อกหกักโดนคุณสุวัรจรีหัก อ, อกดังปเปาะแป้นก็เลยอยากมีส่วนร่วมในการให้กําลังใจคุณเทพนะคะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยหล่อนไม่ต้องแสดงความห่วงใยลูกชายฉันจนออกนอกหน้านอกตาอย่างนี้นะจ๊ะนางแป้นแม่ก็แป้นเราไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นไปทํางานได้แล้วทํางานเสร็จหมดแล้วคะ่ะจริงเลย งั้นก็มานวดฉันแล้วกันนวดอีกแล้วหรอคะอะก็ใช่สิฉันปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยมานวดให้เร็วหน่อยแต่แป้นเพิ่งจะนวดให้คุณผู้หญิงเมื่อเช้านี่เองนะคะนวดเมื่อเช้าแต่ว่าตอนนี้ฉันปวดเมื่อยอีกละโอคุณผู้หญิงคะนี่นี่ไม่ต้องมาทำเสียงออดออดเลยนะนางแป้นเออมา<ด>เลยมาเร็วๆวมาเร็วๆ็ก็ได้คะ่ะ น, นวดหน่อยเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้หญิงค่ะได้นวดหน่อยเดียวก็ได้ฉันก็จะหักเงินเดือนหล่อนด้วยอคุณผู้หญิงอ่ะนี่ไม่ต้องทําเสียงั้นนะนวดไปเรื่อยๆจนกว่าฉันจะบอกว่าพ อ, อืเวรกรรมของอีปเป้จริงๆเลยนวดนวดข้าซี่เป็นร่องอดคลอดค่ะค่ะค่ะจะนวดเดี๋ยวนี้แล้วค่ะ สูเวอ๋อเองเหรอหมูออ่อข้าเอง อ, อืมทุรัอะไรข้าเปล่าอ๋อมีสิไม่งั้นข้าคงจะไม่ดักรอเองกลางทางอย่างนี้หรอกมีอะไรก็ม า, มาดิเองบอกข้ามาดีกว่าว่าไอ้ชุเวเรื่องอะไรเองชอบสีลาใช่ไหมวะเอ็งขาอะไรอ่ะฮะขำเองเน่ะสิทำไมข้าทำไมบอกนะเว้ยเองถามนี่เองต้องการอะไรกันแน่ ถ้าข้าบอกว่าข้าชอบล่ะเอ็งจะทําไงข้าก็จะอัดเอ็งให้กระอักเลือสิวะไอ้หมูซอเองบางอาจเกินไปแล้วนะทาไมเอ็งกลัวหรือไงกลัวก็รีบปฏิเสธมาดีกว่าว่าเอ็งน่ยไม่ได้ชอบสีลาแม้แต่น้อยใช่เอง็งเข้าถูกต้องแล้วข้าชอบสีลาจริงๆไอ้ซูเวทําไมแน่จริงเขาม่าสิเอ็งนึกว่าข้าไม่กล้าหรือไงฮะไม่เออ่ย ชหน้าค่าเลยก็เออสิได้เลยถ้าม่งอยากโกปต่อยก็ยอมได้ก็จะสนองให้อย่างดีเลยโอ๊ยออยโอยโอยโอยสรกับซูเวชกต่อยกันตายแล้วตายแล้วตายแล้วแล้ว อย่าต่อยกันเลยนะทำไมต้องต่อยกันด้วยล่ะเราเป็นชาวเมเียด้วยกันถึงนั้นน่ะน่าจะปองดองกันถึงจะถูกต้องพอแล้วมาแล้วพอแล้วพอแล้วช่วยด้วยมีคนจะฆากันตายเท่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยออช่วยด้วยช่วยด้วยแกช่วยด้วยแกอยากโดนดีได้ใช่ไหมฉันไม่กลัวเองล่ะไอ้มูซ่ไอ้คนอัตภันแท้ๆเลยเอ็ยทำไมแน่จิงก็เดินเข้ามาสิ ใครจะตบหน้าเองเดี๋ยวรองเท้าคู่นี้ซะเลยะเ อ, อ้ยโว้ยฝากไว้ก่อนเถอะฝากแล้วรีบมาขอคืนด้วยล่ะเองนี่มันบอนจริงๆเลย<ภ>ไปดีกว่าขืนอยู่ได้ชกหน้ า, ายหมาตัวเมียนแน่เลยไอ้บุอเองเอ้ยไอ้บุออ้าวเขาก็าข้าเป็นเป็นหมาตัวเมียเหรอนี่ะจะควกาเองในก้อนหินที่หัวแตกไปเลยเอ้ย เอ็งกว่าก้อนหินใสหัวข้าจริงๆหรือวะเนี่ยเอ็งเจ็ดปนะเอาเลยเข้ามาเลยไอ้มูซอไอ้หน้าตัวเมียเห็นก้อนเห็นก้อนนี้ไหมทุ่มใส่หัวเอง็งอะรับรองว่าหัวของเอ็งต้องแตกออกเป็นสองเสียงแน่ๆเลยโถ่เอ้ยฝาไว้ก่อนเถอะเอ็งหนึ่งบูเก้ไปดีกว่าเว้ยเขินอยู่ได้ข้าผู้หญิงแน่ๆเลยโ ถ, โถ่เอ้ยโถ่เอ้ยไม่น่าจริงนี่หว่าโถ่เอ้ยไอ้หน้าตัวเมียไอ้มูซอไอ้หน้าตัวเมีย บ้าจ้าพี่สุเวไม่เป็นไรหรอกว้ายตาเล่าตาเล่าโอยที่แขนพี่สุเวย์มีเลือดไหลด้วยอ่ะไหนนี่ไงด้านหลังไงคะเลือดไหลเป็นเกลียวสิงไม้ั้งต่อชกต่อยกันน่ะโอ้ยทาไมต้องชกต่อยกันด้วยล่ะพี่ก็มันมาหาเรื่องแล้วผู้ชายอย่างฆ่าฆ่าได้แต่ยาไม่ได้ก็แล้วมันเรื่องอะไรล่ะมันไม่ยอมเข้าใจอ่ะคือมันอยาก จะให้ข้าเนี่ยเลิกชอบศีลาซะอ๋อเถอเอ้ยที่แท้ก็เรื่องใหญ่ศีลานี่เองลรอเนี่ยคุณเอ้คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี่โปรดเขียนปริสนญยาบัตรด้วยจดหมาย